พะควโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะพุทังธรรมังสังฆังนมสามิวันนี้นะเป็นวันบุญนะเพราะเหตุว่า พวกเราได้มาพร้อมใจกันนะทําบุญกุศลนะเป็นบุญกุศลที่เรียกว่าเฉพาะกางก็คือบุญกระถินนะนะซึ่งมีคณะจอบภาพนะก็คือคุณนัทจงจริงเก่งสร้างทรัพย์คุณประจักษ์ราศีคุณสำรวยเนะก่งสร้างทรัพยบบานาร่แสนรักตลอดจนชาวบ้านท่ามาไฟหวานนะ แล้วก็ย่านมิตรที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งที่อยู่ไกลออกไปช่วงนี้นะเป็นช่วงของเทศกาลงานบุญเมื่อวานนี้น ะ, ะก็เป็นวันออกพรรษาวันนี้นะเราก็มาทอดกระถินกันเรื่องการเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยนะจะว่าไปแล้วก็เป็นงานของพระนะ ปกติชาวบ้านก็ไม่ได้มาเข้าพรรษามีแต่พระเนี่ยมาจําพรรษาญาติโยมที่สนใจไฟธรรมก็มาจำพรรษาตามด้วยก็ได้นะแต่เป็นส่วนรองแต่ว่างานทอดกระถินเนี่ยนะมันเป็นงานของญาติโยมหรือผู้ญาตนึกรู้ว่างานทอดกระถิเป็นงานบุญของพระองานเทศกาลเข้าพรรษาเป็นงานบุญของพระ ส่วนงานทอดกถินเป็นงานบูมของโยมนะมีการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งปัดใจไตรจีวรเพื่อมาถวายกับสงฆ์และเพื่อมอบให้กับทิกสูรรูปใดลึกหนึ่งที่คณะสงฆ์เห็นสมควรนะซึ่งก็ได้ทำไปเรียบร้อยแล้วอย่างแล้วก็ตามเนี่ยงแม่จะบอกว่างานกระถินเป็นงานของญาติโยม แต่มันก็เกี่ยวกับพระนะเพราะว่าเป็นการสืบเนื่องจากการทออครรษาของพระแต่เมื่อพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนตายมากอยู่ร่วมกันอย่างสงบราบรื่นเ อ, อ, เ อ, เ อ, เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็เป็นสิ่งที่ควรจะนุมโมทนาญนะาติโยมก็เลยจัดนะการทอดกระถินจะเรียกว่าเป็นการส่งเสริมความสามัคคีก็ได้ ไม่ใช่ความสามัคคีของสงฆ์เท่านั้นนะแต่รวมถึงความสามัคคีของญาติโยมเราจึงเรียกว่ากรถินสามาัคคีหรือถึงแม้จะเป็นกรถินส่วนบุคคลนะก็ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจสมัยนี้ไม่ต้องทอผ้าเป็นไตรจีวรละสมัยก่อนนี่ต้องทํากันเองเลยนะยิ่งทําให้เสร็จครบภายในหนึ่งวันที่เราจุลกรถินนี่มันก็ยิ่งเป็นการแสดงถึง ความสามัคคีอันยิ่งใหญ่นะเป็นมหาสามัคคีเลยแต่ถึงแม้ว่าเราจะาไปซื้อจีวนะมาจากร้านแต่ก็ต้องอาศัยความสามัคคีกันทั้งหมดนี้นะก็เพื่อส่งเสริมบุญส่งเสริมธรรมญาติโยมที่มาทำบุญในวันนี้นะก็มีความร่าเริงชื่นบานเพราะว่าไม่ใช่ง่ายที่เราจะมาทำบุญกระถิ่นกัน วัดหนึ่งก็ทำได้ปีละครั้งอย่างทำวันนี้แล้วนี่ก็ต้องไปรอกันปีหน้าหลังออกพรรษาก็ถือว่าเป็นงานบุญนะที่ทำแล้วก็ได้อ น, นิสงมากอันนิสงนั้นก็เริ่มตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลแล้วก็การฟังธรรมคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าญาติโยมอยากจะได้บุญมากนะ อยากจะต่อยอดกุศลอยากจะแนะนำนะวิธีการที่จะเพิ่มบุญให้มากขึ้นเมื่อเรามาทอดกรถิ่นนะก็คือว่าเวลาเราให้ทานนะไม่ว่าจะเป็นจีวรไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือข้าวของเครื่องใช้ก็อย่าให้แต่สิ่งของอย่าสละแต่สิ่งของขอให้สละ สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจด้วยนะเราเรียกว่าอากุศลธรรมหรืออกุศลจิตหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเช่นความเครียดความสูญนะความวิตกกังวลบางคนมาทอดกรถินก็สงสัยว่าเอเราไม่ได้ถวายผ้าเองนะเราไม่ได้ถวายผ้ากับพระเราจะได้บุญไหมหรือว่า เรารวบรวมปัจจัยมาได้น้อยไม่ตรงไม่ถึงเป้าที่ตั้งใจไว้นี้จะได้บุญไหมอันนี้คือความสงสัยที่มาทาให้จิตใจเศร้าหมองเพราะว่าบุญเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินจะได้น้อยได้มากไม่สำคัญขอให้ทำด้วยจิตที่เป็นศรัทธาก่อนให้ให้ด้วยใจที่ชื่นบานให้เสร็จนะจิตใจก็ร่าเริงแจ่มใส บางคนนะมีความกังวลว่านะฉันเป็นเจ้าภาพแต่ว่าฉันไม่ได้ประเคนถวายพระด้วยมือของฉันเองจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนนะตัดทิ้งไปได้เลยนะจะประเคนกับมือหรือไม่ประเคนกับมือก็ได้บุญมาตัวเปล่านะไม่ได้ถวายเงินก็ยังได้บุญเลยนะนะเราเรียกว่า ปัตตานุโมทนาใหม่คือบุญที่เกิดจากการอานุโมทนาในความดีที่ผู้อื่นได้ทำญาติโยมจะไปคิดว่าโอ๊ยฉันไม่มีเงินมาตัวเปล่าจะได้บุญไหมที่จริงนะเพียงแค่อนุโมทนาว่า เ, ออเจ้าภาพนี่เขามีจิตเมตตามีศรัทธานะขออนุโมทนาด้วยขอร่วมยินดีด้วยได้บุญแล้วนะ หรือแม้แต่มาฟังธรรมนะไม่ได้ถวายปัจจัยแต่ว่าฟังธรรมด้วยความใส่ใจระหว่างที่ฟังเนี่ยใจไม่ได้นึกอะไรเลยไม่ได้นึกไปถึงลูกที่บ้านไม่ได้นึกถึงพ่อแม่ที่กำลังป่วยนะไม่ได้นึกถึงเพื่อนที่กำลังไปจับปลานะนะอยู่ในเครื่อนนะบางคนนี่ตัวอยู่วันนะใจไปนึกถึงว่าเอ๊ก็จะจับปลาได้เยอะไหม เนะย็นนี้จะได้กินปลาช่อนมาจะได้กินแซ่บมาอันนี้บาปนะอางนี้บาปนะนปนะตัวอยู่วัดเนี่ยแต่ใจกันไปแล้วเนี่ยมันนึกถึงเพื่อนที่กาลังตักกาลังยกยอกาลังจับปลากาลังเวียงแหะภาวนาขอให้ได้เยอะๆนะจะได้ไปร่วมขอไปร่วมกินด้วยเนี่ยใจไม่เป็นบุญแล้วนะ่ะอางนี้อย่างนี้มันได้บุญเมืออกันแต่ได้น้อยเอาใจนี่กลับมาอยู่กับปัจจุบัน นะมาชื่นชมมาอนุโมทนาในเจ้าภาพที่ก็ได้มาร่วมกันทําบุญทํากุศลทอดกฐินในวันนี้ได้บุญละอันนี้ข้อแรกนะก็คือว่านอกจากสละด้วยสิ่งของด้วยปัจจัยแล้วเนี่ยก็ให้สละอารมณ์ที่เศร้าหมองอารมณ์ที่เป็นอกุศลทะเลาะ ก, กับผัวทะเลาะ ก, กับเมียทะเลาะ ก, กับลูกทะเลาะ ก, กับพ่อแม่ที่บ้านก่อนมาวัดก็ให้วางลงที่หน้าวัดนะ มาร่วมงานกฐินโดยจิตใจผ่องใสอันนี้บุญมันเพิ่มขึ้นเลยนะความอยากก็เหมือนกันน ะ, ะมาทำบุญแล้วมาทอดกฐินแล้วอ ย, อยากได้น่นอยากได้นี่อยากให้รวยอยากให้ถูกหวยนะวันที่16วันนี้เดือนนี้เนี่ยขอให้ถูกจังๆนะเต็มที่เลยนะอันนี้มันได้บุญน้อยเลยเวลาทำบุญเนี่ยอย่าไปทำด้วยใจที่อยาก นะโดยเพราะอยากได้น่นอยากได้นี่ที่มันเป็นเงินทองนะของร่ำรวยเพราะอะไรนะเพราะว่ามันจะทำให้กิเลสเราเนี่ยนะมันยังอยู่ในจิตใจแถมเพิ่มพูนอีกนะให้วางลงซะภาษาริบุตรนะพื่าเรารู้จักกันนะภาษาริบุตรเนี่ยนะเพื่อนเคยกล่าวว่า บัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่ปรารถนาอุปเิสุขอุปเิสุขคืออะไรก็คืออายุวันณ่สุขภาร ะ, ะความร่ํารวยถูกหวยรวยเบอร์คือความสุขทั้งโลกความสุขจากวัตถุอันนั้นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตนะที่จะปรารถนาสิ่งนั้นไม่ได้ปรารถนาพรบใหม่คือขอให้ไปเกิดเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ํารวยขอให้เป็นดาราเกาหลีอ่านี่ไม่บัณฑิตเมื่อให้ทาน ยอมให้ทานเพื่อขจัดกิเลสนะขีดเส้นใต้นะขจัดกิเลสและการไม่เกิดพบก็คือนิพพานนั่นเองนะถ้าทำแบบนี้เนี่ยนะจะได้บุญหลายนะเพราะว่าทำด้วยใจที่มีกิเลสเบาบางแล้วก็เป็นการกระทำด้วยปัญญารู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตจิตใจเนี่ยมันก็คือการไร้กิเลส มันก็คือนิพพานนั่นเองอันนี้ข้อแรกเลยนะวิธีต่อยอดบุญกุศลเนี่ยเวลาให้ทานนะก็อย่าสละเฉพาะสิ่งของหรือเงินให้สละอารมณ์ที่เป็น อ, อ ก, กุศลรวมทั้งกิเลสนะความเครียดความสูญด้วยเพราะพวกนี้มันเป็นขยะนะกัดก่อนจิตใจทำให้เป็นทุกข์ประการต่อมาเวลารักษาศีลเนี่ยนะก็อย่ารักษาแต่ศีลด้วรักษาใจด้วย บางคนรักษาศีลนะแต่ลืมรักษาใจนะรักษาศีลนะแต่ว่าใจเป็นทุกข์ปล่อยให้มีความเคียดความสศนในจิตใจหรือบางทีก็ยกตนข่มท่านว่าฉันถือศีล น, นะห้าฉันถือศีลแปดแกกินเหล้าแกสูบบุหรี่นะแกเล่นไพ่นะสู้ฉันไม่ได้อันนี้เรียกว่ายกตนข่มท่านอย่างนี้เราไม่รักษาใจเลยปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาครอบ ง, งาจิตใจ แต่นอกจากกิเลสนะที่ไม่ควรจะให้เข้ามาในจิตใจนะความทุกข์ด้วยรักษาใจอย่าให้ความทุกข์อย่าให้ความหนักอกหนักใจมันเข้ามานะรังควานรบกวนจิตใจของเราหลายคนรักษาศีล น, นะแต่ว่าใจเนี่ยหนักใจนี่เครียดต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางเด้วนะปล่อยอะไรนะปล่อยความคิดหรือวางความคิดเกี่ยวกับอดีต คนเราเนี่ยนะมันทุกว่ราความคิดซะเยอะนะและความคิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะเงินที่หายไปแล้วสมบัติที่ถูกโกงไปแล้วปล่อยวางซะบ้างนะอย่าไปเก็บเอามาคิดให้กลุ้ม อ, อกกุ้มใจบางคนเนี่ยเผลอนะ ขายที่ไปมีที่ดินอยู่แปลงหนึง่งอยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานแต่ว่าหัวก็บอกว่าตอนนี้ที่ดินราคาดีขายเถอะจะได้มีเงินเยอะๆอะเพื่อนก็ขายไปนะแต่พอได้เงินมาคิดว่าจะเก็บไว้ให้ลูกหลานเป็นมรดกปรากฏว่าหัวก็ข อ, อไปใช้เอาไปใช้ลงทุน ทำโน่นทำนี่ไม่รู้ใช้อย่าง อ, างอางื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหมดนะเจ้าตัวนี้เสียใจมากไม่มีสมบัติเรือให้ลูกผ่านไปแล้วยี่สิบปีนะยังเจ็บเอามาคิดเลยจนเป็นโรคซึมเศร้าไอ้สมบัตินี่มันหมดหายไปแล้วมันเป็นดีไปแล้วก็ต้องปล่อยวางใครเคยด่าเคยทำร้ายเราเคยหักหลังเรา ในรคุณเราผ่านไปแล้ว10ปี20ปีก็ปล่อยไว้เธอหรือแม้แต่เกิดขึ้นเมื่อวานนะให้ปล่อยวางเก็บเอาไปคิดทำไมแบกไว้ทำไมนะมันทุกข์เปล่าเปล่าถ้าเก็บเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าทีหลังอย่าพลาดอย่างนี้ก็มีประโยชน์นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเอามาแบกเอาไว้เฉย แล้วเป็นไงมันก็ทุกฟรีๆเลยนะทุกฟรีๆคนเราเนี่ยทุกเพราะเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะลองสังเกตดูจิตใจเจ้าของนะปล่อยให้ความทุกจากเหตุการณ์แน่ดีมันมากรีดแทงมันมาเผาลนจิตใจเนี่ยวันหนึ่งกี่ครั้งกี่ครั้งปล่อยมันไปบ้างปล่อยไปเยอะๆยิ่งดีนะอันนี้เรียกว่ารู้จักรักษาใจบางคนนะ ไม่ใช่แต่เรื่องราวในอดีตนะเรื่องราวในอนาคตยังมาไม่ถึงก็วิตกกังวลนะบางคนไปตรวจนะให้หมอตรวจสุขภาพหมอบอกว่าอีกสามวันมาฟังผลตลอดเวลาที่สามตลอดเวลาสามวันที่ยังไม่รู้ผลนี่นะกลุ่ม อ, อกกลุ่มใจมากพอไปคิดนะว่าถ้าเกิดหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง จะทำอย่างไรถ้าหมอบอกว่าเป็นเอชจะทำอย่างไรแต่พอไปหาหมอไปรับผลการตรวจวินิจฉัยของหมอหมอบอกไม่เป็นอะไรสบายเลยมาได้คิดว่าโอ้สามวันที่ผ่ามาที่เป็นนรกเลยนะทุกฟรีฟรีเครียด ฟ, ฟรีฟรีคนเราเป็นอย่างเงี้ยนะเรามักจะวิตกสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วความวิตกบางทีก็ทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกเรื่องลูกบางวิตกเรื่องพ่อแม่บ้าง พิตกเรื่องเจ้าของบ้างบางทีก็พิตกเรื่องหนี้สินหนี้สินนะมีเยอะแยะไม่รู้ว่าจะผ่อนหมดหรือเปล่าบางคนกู้ใจถึงขนาดฆ่าตัวตายมีบางคนเนี่ยนะเป็นข้าราชาการระดับสูงก็ทำการค้าผิดพลาดล้มละลายศาลก็สั่งยึดยึดบ้านยึดรถ เพื่อนกุ้มใจมากเลยเพราะว่าต่อไปนี้ก็าอาจจะต้องไปอยู่บ้านเช่าแล้วจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีรถขับเคยเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการระดับสูงมีหน้ามีตาเพราะมีบ้านหลังใหญ่นะมีรถราคาแพงถ้าไม่มีบ้านไม่มีรถแล้วจะอยู่ยังไงคิดไปล่วงหน้าแล้วว่าอยู่ไม่ได้หรอกฉันจะอยู่ได้ยังไงกุมบอกกุ้มใจก็เลยฆ่าตัวตายอันนี้เรียกว่า ทุกข์เพราะความทุกข์เพราะทูกพรไปวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าลองอยู่ไปนะก็อาจะเพราะว่าอ อ, อยู่บ้านเช่าเราก็อยู่ได้นะไม่มีรถนะเราจะนั่งรถเมล์นั่งแท็กซี่เราก็ยังอยู่ได้นะแต่ว่าบางคนกลัวไปลุ้งหน้าแล้วแล้วเป็นยังไงก็เลยเป็นโรคความดันบางคนก็ป่วยบางคนก็ฆ่าตัวตาย อย่าไปแบกมันเด้อแม้กระทั่งหนี้สินนะเรามีเท่าไหร่แล้วก็จ่ายไปเท่านั้นนะมันจะจ่ายจะต้องใช้อีกกี่ปีเป็น10ปีก็อย่าไปวิตกกังวลนะเคยมีคนถามหลวงพ่อพยอมนะหลวงพ่อพยอมกัลยาณโนวัดสวนแก้วเนี่ยมีมูลนิธิก็ไปกู้เงินธนาคารมาหลายสิบล้านมาช่วยชาวบ้านช่วยคนยากคนจน มีพัฒนาวัดบ้างนิดหน่อยก็มีญาติโยมถามเพื่อนว่าเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นหนี้คนมากมายหลายสิบล้านนี่เครียดไหมทุกไหมท่านตอบว่าจะเครียดทําไมจะทุกทําไมไอ้คนที่ควรเครียดควรทุกกว่าก็คือเจ้าของเงินนะว่าเราจะมีปัญญาจ่ายเงินพอไหมนะเคยคิดแบบนี้บ้างหรือเปล่านะเรายืมเงินเข้านะ ไม่ได้ตั้งใจจะเบี้ยวนะหลวงพ่อพย้อมก็ไม่คิดจะเบี้ยวคิดจะคืนแต่ก็คืนตามกำลังนะเดือนนี้หาได้เท่าไหร่ก็จ่ายไปนะเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่ไม่เอามาแบกเอาไว้หนี้สินนะเขามีไว้ใช้เอาไว้ชดใช้นะไม่ใช่มีไว้แบกนะรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างไม่ใช่แต่เฉพาะการวาง อดีตวางอนาคตนะแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องรู้จักวางนะหมายความว่ายังไงเนี่ยรู้จักวางเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะอย่างเช่นเกิดมีเสียงดังนะเวลามีเสียงดังนะอยู่ข้างนอกเสียงะตะโพกเสียงประทัดเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยทุกคนไม่ชอบแต่สังเกตมาใจเนี่ยมันไปจดจ่อที่เสียงนั้นละอาตมาพูดยังไงเนี่ยบางทีไม่เข้าหูละ พูดดีๆไปยังไงก็ไม่มีประโยชน์เพราะทุกคนหูเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่ที่เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงกระโพกประทัดบางคนกําลังดูหนังนะดูหนังในโรงนะไม่รู้เดี๋ยวนี้ดูหนังกันในโรงกันบ้างหรือเปล่านะหรือกําลังฟังเพลงก็ได้นะเกิดมีคนคุยกันข้างหลังเนี่ยบางทีเขาก็สิบเบาๆนะไอ้เสียงในโรงเนี่ยเสียงหนังเสียงเพลงเนี่ยมันดังกว่าด้วย แต่บางคนนะหูเนี่ยมันจะไปจดจ่อยอยู่ที่เสียงกระซิบของคนที่อยู่ข้างหลังและเป็นยังไงรู้สึกลำคาหนหดหงิดอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าติดยึดติดยึดในอารมณ์ปัจจุบันนะเสียงมันเป็นเสียงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันถามว่าไปยึดมันแล้วมีความสุขั้ยไม่มีหดหงิดแล้วไปยึดมันทาไมนะไอเสียงเพลงเพราะๆทาไมไม่สนใจ นะเสียงบรรยายนะที่มีประโยชน์ทำไมไม่สนใจนะทำไมไปสนใจกับสิ่งที่มันสร้างความทุกข์กับจิตใจอันนี้เพราะยึดติดนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่งไปนานๆเนี่ยบางคนปวดนะบางคนเมื่อยถามว่าปวดเมื่อยนี่ชอบไหมไม่ชอบแต่จิตใจหลายคนนะมันจะไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นแหละไอ้ตรงที่ปวดตรงที่เมื่อยไอ้ส่วนที่ไม่ปวดไม่เมื่อยมีต้อง 99% นะ ไม่สนใจไปสนใจจดจออยู่กับตรงที่ปวดที่เมื่อยซึ่งมีเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซนของร่างกายเคยสงสัยว่าทําไมจิตใจเราเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางวางมันลงซะไอความปวดความเมื่อยเนี่ยไปสนใจตรงที่ไม่ปวดไปสนใจตรงที่ไม่เมื่อยสิเวลาอากาศหนาวๆเนี่ยนะเคยสังเกตไหม ไอ้ที่อุ่นๆนะไม่สนใจนะจิตใจอะ่ะมันไปสนใจตรงที่มันหนาวตรงที่ใบหน้าตรงที่นิ้วมือเนี่ยนะเราไปสนใจก็เป็นไงก็บ่นหนาวหนาวหนาวเหมือนกับเวลานั่งปวดแล้วเมือก็บ่นแล้ปวดปวดปวดเมือ่อยทาไมปวดแบบนี้ทําไมเทศนานแบบนี้นะอยากจะลุกมันจะได้หายปวดเอาแต่ถามว่าทําไมเทศนาน นะทำไมปวดแบบนี้แต่ไม่ไม่เคยถามว่าแล้วทำไมใจไปจดจ่อตรงที่ปวดทำไมนะอันนี้เพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวนะเพราะพอไม่รู้ตัวมันก็ไปยึดติดเพราะนั้นเนี่ยจะมาต้งบอกว่าให้รู้จักปล่อยวางบ้างนะปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่ชอบนะไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความปวดนะ ให้มาสนใจสิ่งที่มันสบายๆเสียงดังข้างนอกก็ช่างมันมาสนใจเสียงบรรยายเสียงธรรม ะ, อ, ะอันนี้เรียกว่าเป็นวิสัยคนฉลาดนะนี่แหละคือความหมายว่าการปล่อยวางปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบไม่ทํางานทําการนะเราก็ทํางานทําการแต่เราทำการทํางานทําการเกี่ยวข้องกับปัจจุบันอย่างผู้มีสติผู้มีปัญญานะ ไม่ถูกคร่อมงามด้วยอารมณ์ที่มันมากระทบมาเบียดเบียนมาบีบคัน้นจิตใจและร่างกายปล่อยว่าอีอันนี้สําคัญนะปล่อยวา ง, าง น, นะงนะตัวกูของกูบ้างนะไอ้ที่เงินหายของหายแล้วเรายังคิดถึงมันยังเสียดายมันเนี่ยเพราะเราเรายังยึดว่ามันเป็นของกูของกูนะที่เดินผืนนะั้นมันเป็นของคนอือไปแล้วนะก็ยังเสียดายนะ เพราะว่ายังยึดเป็นของกูของกูไอ้โทรศัพท์ที่หายไปเนี่ยรถที่ถูกขโมยไปหรือถูกยึดไปเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วแต่ยังยึดเป็นของกูของกูเนี่ยมันก็เลยทุกข์นะลองวางมันลงบ้างว่ามันไม่ใช่ของกูแล้วนะเป็นของใครก็ไม่รู้และที่เป็นของกูมันก็เป็นของกูชั่วคราวนะไอ้คนเราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเรายึดนะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของกูนะ มีเพื่อนหนึ่งคนหนึ่งนะเดินจงกรมนะไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดหนึ่งเ่ยเดินจงกรมทั้งวันเลย <st it> เพราะว่าเป็นเป็นทางจงกรมที่ดีเช้าก็มาเดินจงกรมตรงนั้นบ่ายก็มาเดินจงกรมตรงนั้นเย็นก็เดินจงกรมตรงนั้นวันที่สองก็เดินจงกรมนั้นแหละนะสบายพอวันที่สาปรากฏว่าจะไปเดินมีคนไปเดินแทนแล้วมีคนไปใช้ทางนั้นแทน <sh arp> เพื่อนโมโหนะ นึกในใจว่านี่ทางจงกรมของกูนะมาแย่งทางจงกรมของกูไปทําไมแต่ดีนะเพื่อนมีสติรู้ตัวเพื่อนก็พบว่าเอ้ยทางนี้เป็นทางของเราที่ไหนนะเป็นของวัดนะเราแค่มาใช้ชั่วคราวนะแต่นี่เพิ่นทุกไปแล้วนะเพื่อนทุกพระยึดว่าเป็นทางของกูทั้งที่เพิ่งมาใช้ได้แค่สองวันมันไม่ใช่ทางของเรานะ ก็เหมือนกับทรัพย์สินเงินทองนะที่เรามีนะมันก็เป็นของที่อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวถ้าไม่จักเป็นก็ต้องจากตายนะจากเป็นก็คือว่าไอตอนที่ยังเป็นๆอยู่ก็มีคนมาเอาไปหรือว่าเสื่อมเสียเสียหายไปแต่ถ้าไม่จักเป็นก็ต้องจากตายนะเวลาตายเนี่ยมันก็ต้องเป็นของคนอื่นแม่นบอกมันจะเป็นของเราจริงๆได้ยังไงมันเป็นแค่สมมตินะของเราของเรา ให้รวมเป็นสมมุตินะไม่ใช่ของจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีใครเอาไปหรือว่ามันเสียหายไปนะมันก็จะไม่ทุกข์นะไอความรู้สึกว่าตัวกูก็เหมือนกันนะปล่อยวางซะบ้างเพราะคนเราทุกข์เพราะาราายึดมั่นถือมั่นในตัวกูถ้าเราปล่อยวางได้มันสบายแปลกนะเวลาเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ย จริงๆนะไอ้ที่ปวดที่เมื่อยเนะี่ยคือกายปวดกายเมื่อยแต่คนส่วนใหญ่เนะี่ยไปคิดว่ากูปวดกูเมื่อยอันนี้แหละทุกเลยนะถ้าไม่ยึดถ้าไม่ยึดว่าเป็นของกูนะถ้าไม่ยึดว่ากูปวดนะเห็นแต่ว่ากายปวดนะมันไม่ทุกนะหลวงปู่บุต ด, ดานะไปผ่าตัดเอานิ้วออก สมัยก่อนนะช่วงห้าสิิปีที่แล้วมันยังไม่มีเครื่องอูทัสซาวดผ่าได้15นาทีท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วเขาอย่างชั่วแล้วหมอพยาบาลก็แปลกใจสงสัยว่าหลวงปู่ไม่ปวดเด้อเพราะว่าคนที่ผ่าน้อยกว่าท่านเนี่ยผ่าเล็กๆเนี่ยถ่าเล็กๆยังบ่นยังบ่นว่าปดวดบ้าเมื่อยหลวงปู่ทายังไงถึงไม่ปวดนะมีอะไรดีเหรอ หลวงปู่บอกปวดสิทำไมใครปวดร่างกายหลวงปู่มันก็เหมือนคนทั่วไปแหละแต่ใจไม่ได้ปวดไปตามร่างกายด้วยคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาปวดเนี่ยมันไม่ใช่แค่กายปวดนะมันไปยึดว่ากูปวดมีความสําคัญมันหมายว่ากูปวดยึดเอาความปวดเป็นของกูไอความปวดนี่มันน่ายึดไหมไอความเจ็บมันน่ายึดเป็นของกูไหมแต่พราะความโง่ความหลงมันจึงยึดว่าเป็นของกูก็เลยกลายเป็นกูปวด แต่หลวงปู่นี่ท่านฉลาดนะท่านรู้ว่ามันไม่มีกูไม่มีผู้ปวดมันมีแต่กายปวดใจก็เลยไม่ปวดด้วยหรืออย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุมเนี่ยพวกเรารู้จักนะเป็นกระเพงเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วตอนที่พิการเนี่ยตอนที่พิการใหม่ๆนะเป็นทุกข์มากเพราะว่าพิการตั้งแต่คอลงมาขยื่นขยับแขนนี่ยากมากเท้าไม่ต้องพูดถึงรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย เหมือนกับรอวันตายป่ามาสิบปีก็ยังทุกข์ฟังธรรมะสบายใจหน่อยแต่พอเลิกฟังธรรมะก็ทุกข์อีกจนระทั่งวันนึงได้มาปฏิบัติตามคําแนะนําของหลวงพ่อคําเขียนเพิ่นยกมือไม่ได้นะยกมือสร้างจังหวะไม่ได้ก็พิคนิ้วพิกมือไปพิกมือมาทาตามที่หลวงพ่อแนะนําว่าไอ้ที่คลิกเนี่ยคือรูปไอ้ที่คิดเนี่ยเวลามันฟุ้งซ่านเนี่ยมันคือนามนะ ไอ้ที่คลิกเนี่ยคือรูปไอ้ที่คิดเนี่ยเป็นนามมันไม่ใช่เราคลิกมันไม่ใช่เราคิดมันไม่มีกูไม่มีเราที่เป็นผู้คิดผู้คลิกมือไอ้ที่คลิกนี่คือรูปที่คิดนี่เป็นนามพิจรารณาไปเรื่อยๆนะบอกกัว่าเห็นเลยนะอ๋อจริงๆแล้วนี่ไอ้ที่พิ ก, การเนี่ยนะมันไม่ใช่เราพิ ก, การนะมันเป็นกายพิการเราไม่ได้พิการด้วย ท่านบอกเจิตเราจากความพิการเลยจิตเราจากความทุกข์เลยร่างกายยังพิการอยู่แต่ใจสบายนะใจเป็นปกติพเพราะเผลอทอที่มามาไปเผลอแบกเอาความพิการเป็นของกูแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของกูมันไม่มีกูผู้ผู้พิการด้วยซ้ำนะใจสบายงั้นถ้าเราเนี่ยนะอยากจะสบายนะแม้กายจะลําบากเนี่ยก็ให้รู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างนะ ปล่อยวางนะไอตัวกูของกูหรือความยึดมั่นสําคัญหมายว่าตัวกูของกูนี่แหละถ้าทําอย่างนี้ได้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักรักษาใจนะรักษาศีลดีแล้วแต่ว่าอย่าลืมรักษาใจด้วยรักษาใจด้วยการปลดเรื่องของหนักออกไปจากจิตใจอย่าไปแบกเอาไว้นะไม่ใช่ของหนักอย่างเดียวนะของแหลมที่มันเสียดแทงใจ คำพูดคำด่าของคนนั้นคนนี้ที่เราเก็บเอามาคิดทีไรมันก็เหมือนกับบาดนะจิตใจความชั่วร้ายความเนรคุณกันแกล่งเอาเปรียบของใครบางคนคิดทีไรมันก็เหมือนว่าเขามีดมากรีดมาแทงจิตใจถามว่ามันเกิดขึ้นเมนื่อไหร่นโนยี่สิบปีมาแล้วสิบปีมาแล้วแล้วแบบมันไปทำไมวางมันลงซะ มีดกนหรือใบมีดโกนหรือว่าเศษแก้วถ้าเราถือไว้ในมือวางไว้ในมือเราจะวางไว้ในมือแบบเนี้ยมันเป็นอะไรไหมไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่ถ้าเรากรรมแล้วบีดกรรมแล้วบีดกรรมแล้วบีดเกิดอะไรขึ้นนะมันก็บาดฝ่ามือหรือว่าเฉือนนิ้วเราจะไปโทษ มีโกนจะไปโทษเศษแก้วใช่ไหมว่าทําให้เราเจ็บทําให้เราเป็นแผลหลายคนทําอย่างนั้นนะแต่ที่จริงเนี่ยต้องโทษตัวเองว่าเราไปบีบไปกรําร ม, มันทําไมทําไมไม่วางเอาไว้เฉยๆหรือทําไมไม่พลิกให้มันตกลงไปนะคนฉลาดนี่เขาะจะไม่บีบไม่กำรรหรือฉลาดกนันเขาก็พลิกมือนะให้มันหล่นไปจากมือนะสิ่งที่เลวร้ายนะที่มันเกิดขึ้นนาดีนะวางมาลงบ้าง อะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นก็อย่า ไ, ไปคิดมันวิตกกังวลถึงมันมากเกินไปวางแผนเอาไว้เตรียมการเอาไว้เป็นของดีแต่อย่าไปถึงกับกังวลไอ้สิ่งที่มันเป็นความเจ็บปวดในปัจจุบันนะก็วางมันลงบ้างนะจะไปยึดมันทาไมไที่สำคันก็คือว่าวางนะความยึดติดในตัวกูของกูนะทำลงบ้างทำนะทำ บ, บ่อยๆถึงแม้จะทำไม่ได้ทั้งหมดนะแต่มันจะช่วยทำให้ ใจิตใจเราดีขึ้นอาตมาก็กราวมาพอสมควรแล้วนะวิธีการเพิ่มบุญ <c oughs> เติมกุศลในใจิตใจนะขณะที่มาทอดกระถินนะให้รุนเรารู้จักทำนะแล้วบุญเราก็จะเพิ่มพูนกุศลเราก็จะงอกงามและเราก็จะมีความสุขที่สุดนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยอานวยอวยพรให้กับ คณะเจ้าภาพรวมทั้งญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกันทำบุญทอดกรถินในวันนี้นะจงประสบความสุขจเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภะเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาขอให้มีสติปัญญารักษาจิตให้มีความสุขเป็นปกติ ไม่ว่าจะประสบกับความผันผวนแปรปวนอย่างไรและในยามที่มีความสุขก็ขอให้ได้อาศัยความสุขนั้นเป็นเครื่องส่งเสริมให้มีคุณธรรมและสติปัญญา ง, งอกงามมากยิ่งขึ้นเพื่อนำพาจิตใจให้เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเถินยะถาวริวหาปุราปริปูเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปปติอิจิตังปฏิตังตุมพังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปะจันโทปันนาโสยัตถามณีโชติระโสยัตถะอิวานชันตุสานพารุโภวินาสันตุมัตเต ปาวันวันตารายวสุขีทิพัสยุโกภวาภิวัตัานัสิปิสันิจังวนภาปัญญาอิโนยะตา สันตสัพพัญญาวัฏฏโวเวตมานชาระวาเรณทินังอริยสุเชโหเตสุตาทิสเวปัสสันนัมนาตัสสเวมุลาโหติทานมินาเยตานทะอนุมทานติวยาวาจา การรนติวานตเทนตาหินาโอนาเตปิปุญญาสัพพินุตัสสมะตาเทอาภินันตินุญาตินัญมหปาระปุญญาณิปาระดุกัสสมปัติธาโอติปานินานติ ปาวัตุสาภาัางภารราภันตุสาภเทวตาสาภูนทานุุภาเกณะสันทาโสทิปาวัตุเตปปาวัตุสาภาบางภารราภัณตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเกณะสันทาโสทิ ภาวนูเตภาวนูสาภามาภาระราคันตูสาภเทวะตาสาภสังฆานุ